บทที่73ได้รับอนุญาตได้ itz mach คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ mach yai l b e s t i r คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือมักย้ยอออ ล, ลดรงก์คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือมักย้ายเออเอเลียนไปตะลันตุขอ้อนอนุญาตได้มักเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Mag ons hier rook? ตรงนี้สู e บุหรี่ได้ไหมคะจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะจ่ายเช็คได้ไหมคะ จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ m o c m e n s mit Kontant b e ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Moch a b e l ขอถามอะไรได้ไหมคะ Moch a iets vro? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Moch a iets s a เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ mag park เขานอนในรถไม่ได้ mag เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ mag เราขอนั่งได้ไหมคะ Mach uns sit. เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Mach uns เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะมากุญส์อพาร์ทบทอล